มาพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อได้ออกทั้งจิตจุ๊ๆๆๆออกทั้งโทรทัศน์เลยนี่นั่นแหละสาเหตนุนะเออไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเสนอไปไม่ใช่นะใช่ว่าผู้เห็นด้วยก็มีผู้ไม่เห็นด้วยก็มีเ อ, อลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายคนผู้ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าหลวงพ่อเอ็ยนยพูดยาวเกินไปเออควรจะพูดเพียงแค่นั้นแค่นี้เขาก็ว่าแต่หลวงพ่อว้วเออกอหลวงพ่อก็เห็นว่าการพูดก็เห็นว่าเหมาะสม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 เราไม่ได้มาเพื่ออะไรมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตามาเพื่อความรักเคารพในหลวงตาเหตุไหมอย่างพระเจรกผู้ใหญ่ที่มาในงานพวกเราเห็นเหมือนกับหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงหงวหลวงตาอายุแก่ๆนะหาเก็บขยะสององค์ลากถางขยะไปแล้วก็เก็บขยะเข้าถุงนะเต็มแล้วก็มัดแล้วก็เที่ยวกเก็บไปเรื่อยพวกเรารู้ไหมว่าน่นสามสี่สิบพันศานั่นนะ 3, 4, 000, 3,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 ท่านก็มอบให้ลูกสาวของท่านคือพระ อ, องค์เจ้าสิริพาจุธาพรที่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านก็นรวบรวมครูอาจารย์ของท่านมาออกแบบเจดีย์หลวงตาลในกำลังออกแบบแล้วจะทำยังไงออกแบบพิพิธภัณฑ์จากเจดียพ์พิพิธภัณฑ์ตรงที่พระราชทานเพลิงสถิละของหลวงตานะจะทำยังไงจะทำอะไรครอบไหมครอบใหญ่เล็กขนาดไหนในละวันพุ่งนี้ละ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 อันนี้คือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นของเราอืนี่แหละลูกหลานศรัทธาญาติโยมเงียบๆไม่ใช่นิ่งดูได้นะสําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อยังเอยั ง, ออยงจะหาแนวทางเขว่าจะทํายังไงเอให้ดีแต่บางคนก็เสนอมานะเสนอมาเออหลวงพ่อเอผมว่าเนี่ยจดีพิพิธภัณฑ์ก็ใช่แต่ผมว่าน่าจะทํารูปหลวงตา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 ทำงานในโรงงานพอกลับขึ้นมาแล้วก็กินเลี้ยงมาจากโรงงานเมาแต่เออบางทีขับรถขับลาชนเฉียวแล้วก็ไม่รู้แ่ะพอมาถึงบ้านก็เมาในบ้านอเอกเออเพราสุดเมาจากบ้านไปถึงสำนักงานต้องหายเมาเพราะหายเมาอะไรจะนี้ก็จำงานหลวงพ่อว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกหลานนะตาไม่จริง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 ปู่ในตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หา ย, ายทาอย่างนี้มันจะอยู่เท่าไหร่จริงจะตายก็เลยบอกผัวว่าฮะยอดทีรักจะเอาฉันไว้แลจะเอาปู่ไว้บ่น <c oughs> อบอกยื่นโนติดเหมือนกันเถอะท่างบอกให้ผัวผัวเลยเอ๊่่่่่่ อ, อ่่่่่่่่่่่่ต้องเอาเม่่่่้่่่พ่่่่นน่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่าว่่อนน่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่ี่่่่ย่่่่่่่่่่เ่่ ไอ้ผู้ผัวจะให้ผมทํำยังไงเอาจะไปยากอะไรเอาไปจัดไปผมไปฝังไปทิ้งที่ไหนก็ได้คนไม่มีสติแล้วมันหมดแล้วจะตายอยู่แล้วทางผู้ผัวเออเอาก็ต้องเอาเมียเอาไว้เดี๋ยวจะจัดการแต่นี่ผู้ผัวเลยใสสารตะก้าใบาบักใหญ่เหมั้นกัะเอยพอสารตะก้าใบาบักใหญ่เสร็จแล้วก็วันดึกส ง, สงัดเอไม่มีคนแล้วก็ เ, เรียกลูกชายลูกชายก็เป็นหนุ่มแล้วได้ไอ้โลก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 ถ้าพ่อจะฝังทั้งตะก้าเลยผมจะขอตะก้ากับจอบที่ขกดฝังเ่ยเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยพ่อเอ้ยจะเอาไว้ทําไมอา้าต่อไปภายภาคหน้าถ้าพ่อเป็นอามาพิกอำมาภาดผมจะได้ชวนลูกชายเอาตะก้าใบนี้กับจอบมาฝังพ่อเหมือนกับพ่อมาฝังปู่เนี่ยมั้งพ่อก็ยืนอึง่งละไปไปไปไปหามกับ เอาทำไมเจึงกับไม่ได้เดี๋ยวกรำตามสนองไม่ได้เดี๋ยวกรำตามสนองก็เลยเลยหามกลับมารักษาปู่อย่างเก่ากันนี่แหละเวลาไปหามปู่ไปทิ้งเลยแค่ว่าให้ปู่หมดกรรมหมดเวรใช่ไหแต่ว่าลูกชายเขาจะหามตัวเองมาทิ้งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เมดมนุษย์มันเห็นแก่ตัวมากถึงขนาดนั้นเนี่แหละอันนี้ก็คือ